พระธรรมเทศนาแผ่นที่73ลำดับที่3โดยขออ่านใหม่พระธรรมเทศนาแผ่นที่73ลำดับที่3โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่4ธันวาคม2557มีชื่อเรื่องว่าพ่อแม่ทางกาย พ่อแม่ทางใจงานในวัดของเราวันนี้เป็นวันที่สี่หลวงพ่อว่านะวันที่ห้านะวันที่ห้าสวดมนต์สวดมนต์เย็นฉลองเฉลิมถวายวันเกิดของในหลวงพูดภาษาบ้านเรานะ วันที่วันที่ห้าเอาวันที่ห้าก็แล้วกันนะเย็นวันที่ห้าวันนี้เป็นวันที่สี่วันที่ห้าวันพุ่งนี้แล้วก็วันที่หวันที่หเนี่ยเป็นวันอุโบสถเป็นวันพระต่อกันทั้งสองวันนะวันที่ห้าออกไปฉันข้างนอกที่ศาลาใหญ่แล้วก็สวดมนต์เย็นที่ศาลาใน วันที่ห้าแล้วก็วันที่หกหกไปฉันข้างนอกที่ศาลาใหญ่ไปเป็นวันพระนะรับสาบ ร, รวมกันแล้วก็วันที่หก็คงจะมาทําพิธีข้างในอีกเหมือนกันเพราะวันที่6เป็นวันอุโบสถของพระด้วยนะพระลงอุโบสถวันที่หวันนี้เป็นวันที่สี่ ธันวาคมพุทธศักราช2557วันพุ่งนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติ mm hmm. เพราะนั้นขอให้พวกเราทำดีทำดีเพื่อพ่อต้องวัดของเราวันที่ห้าเย็นวันที่ห้าพวกเราก็คงจะเจริญพระพุทธมนต์ mm hmm. ภายในวัดของเรา เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราษุกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชนีพระบรมวงศสานุวงศ์แต่ก็เ น, น้นหนักเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นวันพ่อแห่งชาติคําว่าพ่อคํานี้นะ่ยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานผู้มีปัญญามาก ผู้มีปัญญาก็ยอมรำลึกถึงพระคุณของพ่อได้มากถ้าว่าผู้มีปัญญาน้อยก็ระลึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่ไม่ได้สรุปแล้วก็คือผู้ผู้มีปัญญายอมรำลึกถึงพระคุณหรือผู้ผู้มีอุปกรณคุณกับตนได้มากถ้าว่าผู้มี ถึงจะมีปัญญาก็เถอะนะแต่ถ้าว่ามีความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวีนอยู่ใน จ, ใจิตใจคือกิเลสโลภโกรดหลงราคะโทสะโมหะอยู่ในจิตใจมากกิเลสเหล่านั้นก็ปิดบังปัญญาถึงจะเฉลียวฉล า, าดก็เป็นปิ ด, ปดบังปัญญาคนคนนั้นไม่ให้มองไม่เห็นเหมือนกับพระอาทิตย์ ทีสส่สองแสงสว่างลงมาแต่มีเมฆหมอกคือกิเลสลาราคะโทสะโมหะโลภโกรดหลงปิดบังแสงพระอาทิตย์ก็ไม่สามารถส่องลงถึงพื้นโลกได้นี้ก็เหมือนกัรคนที่มีปัญญาก็จริงอยู่ฉเฉลียวฉลาดทุกอย่างแต่ว่ากิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรดหลง เข้ามาปิดบังก็เลยมองไปอีกมุมหนึ่งทั้งที่พ่อแม่ของเราเป็นผู้มีพระคุณต่อเราแต่มองไม่เห็นเห็นแต่ความชั่วของพ่อแม่ว่าเป็นพ่อแม่เป็นผู้ไม่ซื่อตรงเป็นผู้อิจชา้าเป็นผู้ไม่มีคุณธรรม เอียงซ้ายเอียงขวากว่าเบียงหน้าเบียงหลังไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกๆคือมองเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีของพ่อของแม่แต่ตามไม่จริงพ่อแม่บางครั้งมันก็เป็นเพราะว่าพ่อแม่ของเราไม่ใช่พระหรันเป็นปูตุชนอยู่ย่งมีรักโลภหลงธรรมดา ถ้ารักคนไหนพ่อแม่ก็ต้องให้ความไว้ังใจกับคนนั้นรักคน น, คนั้นเมตตาคนนั้นสงเคราะห์คนนั้นแต่ท่านจะพูดหรือไม่พูดแต่บางคนพ่อแม่บางคนท่างก็เลิกท่านจะไม่พูดถึงจะรักก็อยู่ในใจแต่พวกเราที่เป็นลูกเนีก็พอสังเกตได้ว่าพอ่นะกาพอกับแม่รักใครบางทีพ่อกับแม่รัก ไม่เหมือนกันอีกต่างหากคนแม่รักคนหนึ่งคุณพ่ออีรักรักอีกคนหนึ่งฮะพวกเราที่เป็นลูกเราก็รู้แต่ถึงจะรู้ก็เถอะเราก็ต้องบอกวันนี้คือโลกเป็นมาตั้งแต่ดึกดำบรรตั้งแต่เรายังไม่เกิดตั้งแต่เรายังไม่มีอยู่ในโลกวัตฏสงสารมันเป็นมาอย่างนี้ ถ้าเราเกิดมาในโลกต่อไปภายภาคหน้าเราก็ต้องเจออย่างนี้มีทางเดียวเท่านั้นเราเราเมื่อเกิดมาแล้วจะทํายังไงจึงจะไม่มาเกิดอีกนั่นแหละอันนี้เราต้องคิดจุดนี้คิดให้สูงสุดไปกว่าเหนือกว่าโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะแต่ถ้าว่าเรายังมาเกิดอยู่เราก็ต้องมาพบมาเจอ กับพ่อกับแม่ของพวกเราพพ่ อ, พอแม่ของเราไม่ใช่พระหันอย่างที่ปุงพ่อได้พูดยังเป็นปุตตชนอยู่ต้องมีรักโรคหลงในลูกไม่เสมอกันแต่พวกเราก็ให้ทำใจในเมื่อพ่อแม่ทำอย่างนั้นกใช่ยอมรับแต่ถึงยังไงก็ตามพ่อแม่ได้เลี้ยงดูเรามาแล้วใหญ่ถึงขนาดนี้ ถึงท่านจะแสดงออกความรักหรือไม่รักเราก็ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็พร้อมที่จะทำคุณงามความดีพร้อมที่จะเลี้ยงตัวเองได้พร้อมที่จะกระโดดไปในทิศทั้งสีได้และก็พร้อมกันพร้อมกันเราก็จะไม่ลืมพักคุณของท่านที่ท่านเลี้ยงดูเรามาอันนั้นก็คือพักคุณของท่านส่วนหนึ่งเราจะไม่ไม่มองข้ามเราจะรักเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาเราก็ ตอบสนองด้วยตอบแทนพระคุณของท่านอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวไม่รู้ว่ากี่ครั้งตุว ก, กี่หนว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทากิจธุระของท่านดำรงวงศกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านกลวงรับไปแล้วทำบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านอันนี้คือหน้าที่ของบุตรธิด า, าบุตร ชายบุตรหญิงของพ่อของแม่เนี่ยถ้าหาว่าผู้ที่มีสติมีปัญญาก็ต้องมองได้หลายมุมมองได้หลายด้านไม่ใช่มองในมุมใดมุมหนึ่งแต่ผมมองเห็นพ่อแม่ไม่รักหรือไม่เมตตาตนเท่านั้นแล้วก็มองไปอีกมุมหนึ่งเลยลบทั้งหมดที่พ่อแม่ได้เลี้ยงดูเรามา แต่เด็กแต่เล็กอันนั้นก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันถึงอย่างไงมาถึงจุดปุ่นนี่แล้วท่านจะให้รักเ ส, สมอกัรหลวงพ่อว่าเป็นไปไม่ได้ที่หลวงพ่อจะเห็นเห็นมาเพราะหลวงพ่อก็มีพ่อมีแม่เหมือนกันแต่หลวงพ่อไม่ได้ว่าเกิเดเมื่อท่านแตจะรักใครก็เป็นสิทธิ์ของท่านเป็นหน้าที่ของท่านแต่เราที่เป็นลูก เราก็ให้ความรักเคารพจะช่วยเหลือพ่อแม่ได้อย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องแสดงความกตัญญูกตวเวทีตาต่อผู้มีอุปก ร, ะระคณคือพ่อแม่ของพวกเราอันนี้เป็นหน้าที่หน้าที่ของเราพ่อแม่ก็คือหน้าที่ของท่านที่แด่ดเลี้ยงลูกเรามาเราคนนะีใหญ่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาด้วยกันทุกคนแต่เราจะตอบสนองอย่างไรกับพระคุณของ พ่อของแม่ของพวกเราอันนี้ก็คือพ่อแม่เลี้ยงดูทางร่างกายแต่พ่อแม่ที่เลี้ยงดูทางด้านจิตใจอีกส่วนหนึ่งให้ความรู้ความฉลาดกับพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างหลวงพ่อเองที่เป็นพระกรรมฐานและเป็นพระที่เข้ามาศึกษาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งว่าตั้งชื่อแล้วกราบเรียนหรืออกชื่อ ของที่พระอาจารย์ที่เราเข้าไปเรียนบอกพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นทั้งพ่อทั้งแม่เป็นทั้งครูบาอาจารย์ด้วยท่านแนะนำสั่งสอนพวกเราจุดนี้คือพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงทางร่างกายของพวกเราแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเลี้ยงทางจิตใจถ้าจะว่าตัวไหนสูงกว่าถ้าจะว่าไปนั้นก็คือ ผู้ที่เลี้ยงทางจิตใจนี่สูงกว่าแต่ตัวนั้นเราก็ไม่ประมาทแต่ทำอะไรเลี้ยงมาทางร่างกายจะก่อนเราจะมาเลี้ยงทางจิตใจได้ยังไงอันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานเหมือนกับต้นไม้เราจะไปประมาทเปลือกก็ไม่ได้เปลือกก็คือเปลือกกับพีก็คือกับพีแก่นก็คือแก่นแต่คนเราต้องการอะไรต้องการแก่นทำไม้ปยุงแล้วก็ต้องการแก่นนี่คเหมือนกัน มันเกี่ยวเนื่องกันทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งแก่นแต่เราต้องการแก่นอันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําวิธีการจะทําให้ยังไงจึงจะเกิดให้เป็นแก่นเป็นแก่นได้ง่ายเป็นแก่นได้มากจะทําวิธียังไงอันนี้ท่านสอนวิธีการที่จะทําให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสวิธีการทําเ อ, อ ศิล ส, สมาธิปัญญาอย่างไรตามแนวแถวของพุท ธ, ธะ น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าเออเหนือจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราอีกเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราก่อนที่จะพูดจะกล่าวมาแนะนำสั่งสอนพวกเราท่านก็บอกว่าณโมตัตสะปะกวโตเออข้าพเจ้าขอนอบน้อมเดชพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น จากนั้นเขาทำมังพุทธังสรารนางังคัจฉามิธำมังสรารนางังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิพวกยึดเป็นมาเป็นเป็น ท, อ, ทอดทอดคื อ, อ ย, ยึดยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นทอดทอดจนมาถึงพ่อแม่ของเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเมื่อจะม า, มาถ่ายทอดวิชาที่ได้เรียนได้ศึกษามาจากครูบาอาจารย์องค์ ก, ก่อน ที่เป็นครูบาอาจารย์ของท่านจนมาถึงมาถึงพวกเราเราก็ได้รับคำถ่ายทอดจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากนั้นเมื่อเราได้รับการถ่ายทอดแล้วก็เราก็ถ่ายทอดให้แก่พวกลูกห ล, ล, ล, ลานน้องนุ่งทางหลายอันนี้คือพระธรรมคำสอนในเมื่อเราได้รับธรรมคำสอนจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นทอดมาเป็นทอดทอดมาอย่างนั้นแล้ว เราก็นํามากันกรองไตรตรองอีกทีหนึ่งว่าถูกต้องไหมเป็นธรรมไหมถ้าถูกต้องเป็นธรรมเราก็ยอมรับว่านี่คือธรรมคาสอนออที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสมาไว้เป็นสวากาตธรรมตรัสไว้ชอบเรามาพิจารณาพิกออดูเลี่ยมไหนชั้นเชิงไหนเ ล, เล่เลี่ยมไหนเราก็ยอมรับว่านี่คือพระธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นำมาบอกกล่าวอย่างหลักอริยสัจสทุกสมุทัยนิโรธมรรคไตรลักษณ์อนิจางทุกขังอนัตตากรรมฐานกายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐานส่เหล่านี้เรียกว่าสี่ห้าของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้ สำหรับศัทธาญาติโยมหรือสินุโบสถสินขัดกลาวกิเลสเนีคือหลักๆลัหลักๆลัหลักหลักของพุทธศาสนาอันนี้ก็คือหลักแนวความคิดในหลักพุทธศาสนาแต่ส่วนวิธีการปฏิบัตินั้นคือกฎระเบียบนั้นอันนั้นคือแบบเปลือกกับพี้ที่จะมาทําให้เป็นแก่นได้ก็ต้องมีเปลือกมีกระพี้ แต่ถ้าว่าไม่มีทานไม่มีศีลแล้วก็จะมีภาวนาได้อย่างไรคนไม่มีอยู่มีกินแล้วก็คนไม่มีกฎระเบียบแล้วจะมีสมาธิได้อย่างไรเนี่ยมันเป็นมาจากทานศีลจากนั้นก็นมาภาวน า, เ, าเราจะมาว่ามาอธิบายเรื่องภาวนาอย่างเดียวโดยไม่มีการเสียสละไม่มีการให้ทานมาก่อนเลยอันนั้นก็มันพูด รวบรัฐแต่เป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นเนื้อหาสาระแล้วก็ต้องเป็นมาจากการเสียสละในการทำทานมันเกี่ยวเนื่องกันนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธทเจ้าถ้าเรามาพิจารณาเรื่องมากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วเหมือนกับลูกโซ่มั น, กกนเกาะกันป็นปอกปกปอกป อ, ปอจนถึง จะทำยังไงจึงจะทำให้จิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสน่หลุดพ้นตามจุดประสงค์ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธองค์ทำอย่างไงนี่แหละอันนี้คือเราควรศึกษาเป็นอย่างยิ่งก่อนที่จะมีทานมีศีลมีกฎระเบียบต่างๆเรื่องเรามีวัดว า, าศาสนามีอะไรมีกฎขนบธรรมเนียมประเพณี ของพุท ธ, ธะเนี่ยที่เป็นเป็นมาได้อย่างนี้เพราะอะไรก็เป็นมาเพราะพระพุทธเจ้าไปภาวนาอยู่ที่โคลนต้นโพที่วันเดือนหกเพนที่ตัดสรู้ได้ตัดสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนจากนั้นท่านก็ได้ประกาศพระธรรมคําสอนออกมาเผยแผ่ออกมาเรื่องราวต่างๆมากมายทีนี้ไปพบ ศัทธาญาโยมแต่ละกลุ่มเทศนาว่าการวางกฎระเบียบให้กับพุทธบริษัทสแต่ละเรื่องราวถ้าหาว่าใครทำผิดพระพุทธองค์ก็ห้ามปลามขม่ขมขม่มภาษาบาลีแปว่าขมแปลว่านิคไขหะแปลว่าข่มถ้าว่าผู้ใดทำทุกข์ปักไรหะแปลว่ายกย่องนิคไขหะถม่ม ปักใครหะไปบ่อยยกย่องนะอันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อท่านวางศาสนาท่านต้องมีทั้งขม่มมีทั้งยกย่องถ้าถูกทำถูกแล้วก็ไม่มีไ ม, ไม่มีอะไรผิดท่านก็วางไว้เป็นกลางเฉยๆถ้าว่ามันท ำ, ทำผิดใครทำผิดก็ขม่มอย่าทำอีกนะอย่างนั้นมันไม่ถูกนะ ถ้าว่าใครทําถูกเอออันนี้ถูกต้องแล้วสาธุสาธุาธเ อ, อเราเห็นด้วยอนุโมทนาเนี่ย น, นี่ลูกจิตของเราเรียกว่าเป็นสาวกของเราของเรานะอันนี้ก็คือพระพุทธองค์ยกย่องอันนี้ก็ว่าปักไคหะนี่แหละอันนี้คือความเป็นหมาของพระพุทธศาสนาจากนั้นก็ในเมื่อมาถึงพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้ว พวกเราก็ยึดหลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกระจกเงาว่าพระพุทธเจ้าสมัยนั้นท่านได้ตรัสอย่างกับใครพูดกับใครผิดหรือถูกอย่างไรจากนั้นเราก็ได้นําพระธรรมมาทำคําสอนมาประพฤติธปฏิบัติอย่างที่พวกเราได้ทํากันทุกวันนี้สําหรับศรัทธาญาติโยมก็คือศีลห้าเป็นพื้นฐานอย่าไปทำเลือ ไม่มีศินห้าให้ทําอยู่ในศินห้าให้กรอบสินห้าเป็นคือสินสําหรับคุ้มครองศิล ส, สำหรับปิดอบายยภูมิถ้าภูมิมีศินห้าแล้วจะไม่ตกนรกตามหลักธรรมคาสอนที่พระพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้จากนั้นก็เรื่องพอศินเสร็จแล้วก็เรื่องทานเรื่องสินก็ภาวนาแนวความคิดคิดยังไงจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิ ต้องทึกศึกษาเรื่องแนวความคิดตคิดไม่ให้ติดอยู่ในโลกวัตะสงสารทิศไม่ให้หลงอยู่ในโลกจะหลงจะหลงได้ยังไงทำไมจึงหลงพิจารณาดูจนว่าไม่ให้หลงทาไมจึงจะไม่จึงจะไม่หลงพระพุทธองค์ว่าให้มีสมาธิเมื่อมีสมาธิดีแล้วให้นำมาพิจารณา พิจารณาร่างกายของเราเนี่ยนะทุกคนนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยคือมีร่างกายตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้าคือร่างกายในร่างกายของเราเนี่ยถึงจะเลี้ยงดีขนาดนี้ก็เลี้ยงไปเถอะ อ, อ, อาหารคำละหมื่นละแสนยาจากประเทศไหนดีที่สุดเชือผ้าราคาแพง <c oughs> กระเป๋าราคาแพงขนาดไหนก็เถอะ ที่อยู่อาศัยหรูหราโอ้อาขนาดไหนก็เถอะให้ร่างกายนี้อยู่ถ้าอยู่ไปนานๆห้าหสิปีขึ้นไปแล้วจะเห็นผมขาวจะเห็นฟันหลุดจะเห็นตาเฝ้าฟางจะเห็นหูตึงจะเห็นหนังหนังเหี่ยวแล้วจะเห็นหลังค่อมใส่ไม่สั ก, สกใช้ไม้เท้าค้ำจันท์จากนั้นก็ไม่ไหวก็ต้องนอนอายุ แปดบเก้าสิปีแล้วช่วยตนเองไม่ได้นั่นแหละถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอร่างกายมันมีจุดจบของมันมันหมดสภาพของมันนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านว่าร่างกายของเราเนี่ถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เถอมันไม่ใช่ของเรานะถ้าเป็นของเราเราบอกเลยอย่าแก่นะอย่าเจ็บอย่าตายมันต้องฟังแต่นี้มันไม่ใช่มันไม่ฟังมันตไหลตามสภาพของมัน เพราะนั้นใจของเราเนี่ยไปให้ความสําคัญไปลุ่มหลงในร่างกายของตนเองขนาดร่างกายของตนเองยังไม่ใช่ตัวตนยังบอกไม่ได้อีกสักวันหนึ่งพอร่างกายหมดสภาพใจก็ออกจากร่างในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาท่ทานบอกเหลือตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเอที่หลวงพ่อเปรียบเทียบแล้วเปรียบเทียบอีกคือยุคสมัยนี้คนใช้รถมาก ไปที่ไหนออกจากบ้านก็นั่งรถจะไปที่ไหนๆเดินทางไกลไปที่ไหนก็นั่งรถเพราะนั้นหลวงพ่อจึงเปรียบเทียบว่าร่างกายของเราเนี่เหมือนกับรถแต่จิตใจคือน้ามธรรมคือตัวผู้รู้นะคือคนขับรถมันอาศัยกันแต่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันเพราะนั้นเวลาเวลาเราตายเวลาเราหมดลงหมดสภาพร่างกายหมดสภาพก็เหมือนกับรถหมดสภาพ เราใช้ไปจนผุพังไปหมดแล้วเครื่องมันพังแล้วแต่โซเฟอร์จะไปขับรถผุพังได้ยังไงมันหมดสภาพโซเฟอร์ก็ต้องหนีออกจากรถคันนั้นนี่แหละก่อนที่หนีออกจากรถคันนั้นเป็นพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญในอย่างมากเลยที่ออกจากจะหนีออกจากรถคันนั้นพร้อมหรือยังมีเงินหรือยังได้เตียงพร้อมไว้หรือยัง ที่จะไปซื้อรถคันอื่นอีกต่อไปถามว่าพวกเราไม่พร้อมพวกเราไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดพวกเราก็ไม่ได้ใส่ใจพวกเราก็ไม่ได้สนใจเออแต่มันจริงไหมที่ว่าตายแล้วไม่เกิดเรามั่นใจไหมก็คงจะไม่มีใครมั่นใจร้อยเปอร์เซตแต่ถ้ามั่นใจกับแบบมั่นใจแบบเออทิฏฐิมานะเออออกไปเท่านั้นเองแต่ส่วนความมั่นใจลึกๆนั้น คงจะไม่มีใครมั่นใจว่าตายแล้วสุดแต่ถ้าวาตายแล้วเกิดก็ไม่มั่นใจอีกแต่ถึงยังไงก็ตามความมั่นใจที่ไม่มั่นใจในจุดนั้นน่ะมันไม่ได้บอกบ่งถึงความถูกต้องและไม่ถูกต้องเป็นแต่ความสงสัยแต่ทําจะให้หายสงสัยเนะี่ยทอย่างไรนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านพาดําเนินมาแล้วที่ท่านไปภาวนาอยู่ที่โคลนต้นโพนั่งขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทากายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องไม่ตามไม่ต้องตามลมออกไปข้างนอกให้เหมือนเรายืนอยู่ข้างประตู เ, เวลากาหนดลมยืนอยู่ข้างประตูคน ผ่านเข้ามาในศาาลาเราก็รู้ว่าคนผ่านเข้ามาคนผ่านออกไปเราก็รู้ว่าคนผ่านออกไปนี่แหละคือกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้ยืนเหมือนเรายืนอยู่ข้างประตูจากนั้นเรามีสติสัมปชัญญะเราไม่เผลออ ย, อยู่จุดๆดนั้นตลอดจากนั้นใจของเราจะรวมสงบนิ่ง พอรวมสงบคนมาแล้วนั่นแหละเราจะรู้ได้วก า, ายกับใจใจกับกายจะเห็นได้ชัดที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบฤาษูพ่อเปรียบเทียบไม่ฟังว่าร่างกายเหมือนกับรถจิตใจของเหมือนกับคนขับรถไม่ต้องถามใครรู้ในปัจจัตตังทำมรรมของพระพุทธเจ้าเป็นปัจจัตตังรู้เฉพาะตนไม่ต้องถามใครรู้ได้เออจริง นี่แหะบทพิสูจน์อบทพิสูจน์อย่าไปสงสัยเฉยเฉออย่าไม่เชื่อเฉยเฉย เ, เชื่อก็ต้องมีเหตุผลไม่เชื่อเพราะเหตุอะไรถ้าทําดูแล้วมันไม่เป็นอย่างที่วาดจิตสงบแล้วยังไม่ก็ยังไ ม, ยงไม่ยังไม่รู้ก็แสดงว่าเราทําไม่ถูกหรือเปล่าเราทําไม่ถึงรอเปล่าเหมือนกับเราไปขุดเขาว่าตรงเนี้ยมันมีแร่เงินแร่ทองแต่เราขุดไปถึง ه, ขุดจอกจอ ก, จอกสองสามทีเลย เ, เราก็ไม่มีฮมันไม่มีแต่มันมีอยู่เลอันนี้ก็เหมือนกันนะวิธีการนั่งสมาธิต้องจริงจังและจริงใจถ้าจริงจังและจริงใจในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านบอกไว้เลยว่าอต้องรู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานของพวกเราตั้งแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์ หลวงปู่หลวงตามากมายที่ท่านเดินทุดงเขาไปในป่าธงพงไัยเสี่ยงล้มเสี่ยงตายจากนั้นก็ได้มาภาวนาใ ห, ให้เป็นได้เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกองค์ท่านก็มั่นใจท่านได้ผ่านภาคปฏิบัติมาแล้วนะท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูตนะตายแล้วเกิดอีกแน่สิ่งที่รู้เห็นก็คือกายกับใจใจกับกายแต่หลวงพ่อเคยได้ยินทางฝ่ายปริยัตนะ ที่ในกรุงเทพเป็นวัดใหญ่อท่านบอกว่าศาสนาหมดแล้วตายแล้วศูนย์ตายแล้วไม่ไม่มีไม่เกิดนก็ไม่ได้ได้ยินได้ยินได้ยินได้ยินมาแต่จะแท้จริงยังไงหลวงพ่อก็ไม่กล้าที่จะยืนยันในจุดนั้นได้แต่หลวงตาท่านก็พูดเอ๊ะไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นได้ฮเออยทั้งที่เป็นพระผู้ใหญ่แต่ทําไมมีเป็นพูดอย่างนี้ได้หลวงตาพูดได้ยินแต่หลวงพ่อก็ ได้ฟังหลวงพ่อพ่อเหตุใดพ่อเหตุใดเพราะท่านไม่ได้ปฏิบัติท่านไม่ได้ภาวนาอท่านอยู่แต่ในตำรับตําราพออ่านตําราไปก็เลยสงสัยตําราอีกทีนี่งสงสัยแผนที่อีกทีนึ่เออแผนที่เนี่ยมันเป็นหนทางหลอกกันหากินเป็นวันวันเป็นปีปีปเดือนเดือนเป็นพบพบชาชัดไปหรือเปล่านะแผนที่เนี่ยพ่อเหตุใดเพราะไม่ได้เดินตามแผนที่ ถ้าพวกเราเดินตามแผนที่แล้วนะพวกเราจะอย่างน้อยก็เห็นนะอย่างที่นะจาก อ, อาํานัดบ้านนาคําน้อยไปบ้านผือใช่ไหมออกไปทางเลี้ยวนั้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจากนั้นไปเจอสะพานไปเจอหมู่บ้านไปเจออะไรถ้าเดินตามก็จะต้องรู้เออชายหายสงสัยหายสงสัยในแผนที่นี้นะแต่เราไม่ได้เดินตาม แผนที่นะมิตอยู่กับที่เอแผนที่จะพูดจริงหรือเปล่านะเพราะเราไม่ได้เดินตามก็เลยสงสัยในแผนที่เพ้อเพ้อไม่เชื่อในแผนที่อีกต่างหากแล้วก็บอกกับใครเฮ้ยแผนที่โกหกลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราเดินตามแผนแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ภาวนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะกาหนดลมหายใจเข้าออก ถ้าจิตใจสงบขึ้นมาเมื่อไรเมื่อนั้นละหายสงสัยว่าตายแล้วเกิดแล้ตายแล้วสูดไปตะไม่ต้องถามใครเลยทเนี่ยรู้ได้ด้วยตนเองนี่แหละวิบบตพิสูจน์นะจากนั้นก็เดินไปเรื่อยๆ เ, ยเมื่อเราเดินถูกทางถึงต้นทางได้แล้วทเนี่ยเราก็พยายามเดินตามมักตามผลขึ้นไปเรื่อยๆสมถะวิปัสสนาพิจนารณาอย่างไรทเนี่ย เราเห็นช่องทางไปได้เรื่อยๆเถนี่ยเพราะนั้นก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นนะ่ยจุดความเชื่อจุดนี้แหละสำคัญถ้าไม่มีความเชื่อในเบื้องต้นแล้วเนะี่ยไม่มีศรัทธาในเบื้องต้นแล้วนะจะเดินไปจุดนั้นเนะ่ยเดินยาก <c oughs> เดินไม่เดินเลยนะพูดง่ายๆถ้าเราเชื่อในจุดนี้เราเชื่อในตายแล้วเกิดตายแล้วไม่สูญนรกสวรรค์มีบาปบุญคุณโทษมี ที่เราจะรู้ได้ว่าตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูญตัวไหนสูญตัวไหนเกิดนั่งภาวนาให้ดูใจของตัวเองเห็นใจของตัวเองนั่นแหละพอเห็นจุดนี้เท่านั้นแล้วจะเดินต่อไปภายภาคหน้าได้เราจะมองเห็นหนทางะแต่ถ้าเรายังไม่ถ้าเราไม่เชื่อจุดนี้แล้วมองไม่เห็นนะคณาจารย์ญาติโยมลูกหลานนะต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุมโมทนาให้พร